ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายพระธรรมบทที่จะเล่าต่อไปนั้นก็เกิดขึ้นตามพระพุทธธรรมรัตที่จรัสว่าความไม่ประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายบุคคลผู้มีผู้ประมาทแล้วแม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้ว ผู้ไม่ประมาทแล้วแม่ตายแล้วก็ชื่อว่ามีชีวิตจุบัณฑิตรู้ความแตกต่างแห่งธรรมทั้งสองประการนี้แล้วพึงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทอันเป็นทางแห่งพระริยะเมื่อบุคคลปฏิบัติไปตามหลักความไม่ประมาทก็จะถูกต้องพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาดังนี้ ใจความแบ่งพระพุทธภาษิตข้อนี้ทรงปรารบเรื่องที่สืบเนื่องกันมาหลายตอนด้วยกันก็มีลักษณะที่จับเอาเรื่องราวของบุคคลแต่ละชุดแต่ละชุดมาเรียงกันไว้แล้วก็มาสรุปด้วยภาษิตในตอนหลัง <c oughs> มีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่ามีพระราชาอยู่สองพระองค์ ชื่อเวททีประกศองค์หนึ่งชื่อว่าอัลปรปกาองค์หนึ่งก็ครองนครที่มีชื่ อ, อตามพระองค์นั่นเองกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นเนื่องจากเป็นบ้านใกล้มมเมืองเรือนเคียงกันก็มาพบปะสนทนาการอยู่เสมอแต่สนทนาไปสนทนากันมาก็มองเห็นว่าสาระแห่งชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่มี คนเราเมื่อตายไปแล้วทรัพย์สมบัติมากมายอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ก็เกิดเบื่อหน่ายในราชสมบัติหมดทั้งสององค์ก็อมอบราชสมบัติให้แกร่ราชโอรสหัวปีแล้วพรเสเดจเข้าป่าผนวดเป็นฤาษีในชั้นแรกนั้นก็คงอยู่ร่วมกันแต่ก็มาพิจารณาเห็นว่าอิตอนอยู่ในราชสมบัติ กอยู่ร่รวมันใช้เวลาให้ผ่านพ้นไปโดยการสนทนากันในเรื่องต่างๆพอมาบวชเป็นฤาษีแล้วก็มาคุยกันอีกก็คงจะไม่สมเร็จประโยชน์ตามที่ทต้องการดังนั้นตกลงเลือกยอดเขากันคนละยอดเพื่อให้อยู่กันโดยจะไม่มีการติดต่อกันแต่จะมีสัญญาณไฟให้แต่ละฝ่ายได้รู้กันว่าฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงบ้าง เสร็จแล้วฤาษีทั้งสองตนนั้นก็บำเพ็ญเพียรไปตามความเชื่อถือในยุคสมัยนั้นต่อมาท่านเบตตีประกะดาบทซึ่งได้บรรลุฌานแล้วก็สิ้นชีวิตไปอุบัติในพรหมโลกอันละกะปะดาบทมองไปที่ภูเขาไม่เห็นสัญญาณไฟก็รู้ว่าเพื่อนนั้นได้ตายไปแล้ว แต่ท่านเองก็ยังบำเพ็ญเพียรไม่ได้อะไรเนื่องจากที่อยู่นั้นมีช้างมารบ ก, กวนไม่มีสมาธิควายดาวบทควายเวททีประกาศดาวบทซึ่งอุบัติเป็นเทวดานั้นก็พิจารณาถึงสหายก็เห็นว่ายังมีปัญหาในการปฏิบัติเพราะถูกช้างรบ ก, กวนก็ได้ลงมาเยี่ยมด้วยเพศของคนเดินทางมาสอบถามสนทนากันแล้ว แล้วท่านก็แสดงตัวว่าท่านนี่แหละคือเวททีประกาศดาวดบ ท, ที่เป็นสหายประมาณ น, นี้ต้องการจะเยี่ยมสหายนั้นอย่างหนึ่งแล้วต้องการจะช่วยเหลือว่ามีปัญหาอะไรบ้างซึ่งท่านอันลกะปะดาวดบทก็บอกว่าปัญหาอื่นไม่มีหรอกมันมีช้างมารบกวนทําให้อจิตไม่ค่อยจะสงบท่านเทวดาก็มอบพินอย่างหนึ่งที่เรียกว่าหัตถีกันตะ คือพินที่สามารถดีดแล้วขับช้างให้หนีไปก็ได้ดีดพินแล้วไล่มนบทหนึ่งก็ให้ช้างอยู่ในที่นั้นก็ได้ดีดพินแล้วไล่มนอีกบทหนึ่งก็สามารถที่จะควบคุมโขลงช้างเป็นพันๆได้เสร็จแล้วท่านอันลกปะดาวบทก็ดีดพินให้ช้างหนีไปก็บำเพ็ญเพียรอยู่ที่อาศรมของตน ต่อมาถ้าก็กล่าวถึงพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงโกสัมพีชื่อว่าพระเจ้าปรันตปต่พร้อมด้วยพระมเหสีซึ่งทรงพระคันแก่ได้เสด็จออกไปอยู่ที่บนพื้นบนของปราสาทก็มีลักษณะคล้ายๆกระดาษฟ้าในขณะที่สนทนากันอยู่นั้นพระเจ้าปรันตปะก็นาเอาผ้ากาพลสีแดงมาคลุมให้พระมเหสี แล้วก็ถอดพระธรรมรงจากพระหัตมาสวมให้สนทนากันเพลินเก็มีนกอย่างหนึ่งซึ่งบาลีาตัญชาคำว่าหัต ส, สดีลิงคือมีมีรูปร่างคล้ายช้างก็สำคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อเกิดเหน็นแดงๆก็โชบลงมาแล้วก็เชี่ยวเอาพระราชิ น, นิ์พระมเหสีไปพระเจ้าอัลลกปะพระเจ้าปรันตปะร้ะรองอยังไงก็นกก็ไม่ปล่อย ในที่สุดพระมเมหสีนั้นท่านก็ตั้งสติได้เพราะถ้าขื่นวาจะร้องขึ้นเนี่ยนกมันคงจะตกใ่แล้วก็ปล่อยท่านก็ตกลงมาท่านคงจะตายแต่นั้นก็สงบตัวไว้นกก็บินไปในป่าซึ่งใกล้ที่อยู่ของท่านอัลละกปะดาวุตก็วางเหสีลงโดยตั้งใจจะกิน พระมายศีรษะาวางลงแล้วพอจับกิ่งไม้ได้มั่นคงทั้งก็ตะโกนขึ้นด้วยเสียงของคนนกก็ตกใจบิดหนีไปเพราะนกกลัวเสียงคนทีนี้นางก็อยู่บนกิ่งไม้นั่นเองพอตกกลางคืนก็เกิดลมพัดพายุร่าอย่างแรงเลยนางก็ประคันแก่ด้วยก็ต้องประสูติพระโอรสอยู่ที่เลือภูเขา ซึ่งเป็นที่อยู่ของต้นไม้นั้นแล้วก็กลางฝนการทั้งโอรสทั้งพระมาเยี่สีตลอดทั้งคืนตรงกลงางรุ่งขึ้นเชา้าท่านอันลลกะปะดาบดก็ไปในสถานที่นั้นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่นกมากินอาหารมันก็ทิ้งเศษเนื้อทิ้งกระดูกอะไรออกไปท่านก็ไปแวะเพื่อจะเก็บเศษเนื้อเศษอะไรมาต้ม รับประทานก็แบบฤาษีเมื่อเข้าไปในสารที่นั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องท่านก็บองดูสอบถามทราบความว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ขวายไม่เหสีนั้นก็ไม่เชื่อว่าฤาษีจะเป็นพระราชาก็ขอให้แสดงก็เรียกว่ามายากษัตรซึ่งเป็นใล้ๆกับโคตรลับที่รู้กันในระหว่างวันนักษัตย์เวลาก็ติดต่อกันอณกปะดาบุก็แสดงได้ท่านก็นา ไม้สีนั้นลงมาโดยไม่ให้ศีลของตัวเองบกพร่องเฉพาะในตอนนั้นก็นํามาเลี้ยงอยู่ในอาศรมบํารุงอุปถากอย่างดีไม้สีเองท่านก็เกิดว้าเหว่ขึ้นมาแล้วก็กลัวดาบทจะทิ้งแต่ทิ้งท่านกับลูกก็คงจะแย่ท่า น, น, นก็วางแผนยั่วยดาวบทจนในที่สุดดาบทก็เสียศีลแล้วก็อยู่ร่วมกัน ก็ลดชั้นลงมาจากศีแปเป็นสีห้าเลยก็ยังเป็นฤษีอยู่ทีนี้ต่อมาอิราชกุมารก็เติบโตขึ้นเนื่องจากเ ก, เกิดพร้อมกับพระอาทิตย์อุทยัยจึงได้ชื่อว่าคำว่อุเทนอุเทนก็คือเป็นพระอาทิตย์ทิพย์ไทยขึ้นมาฝนก็หายลมสงบพระอาทิตย์ขึ้นคลอดลูกก็มีอยู่ในการเดียวกันเลยก็ตั้งชื่อว่าอุเทน ตปว่าผู้ที่เกิดเวลาพระอาทิตขึ้นวันหนึ่งท่านอัญลกะปะดาวบทก็มองดูดาวนักขัตฤกษ์ก็เห็นดาวของพระเจ้าป ร, รันตะปะสร้าหมองเขาบอกพระเทวีนั้นว่าพระเจ้าป ร, รันตะปะแห่งกรุงโกสัมพีที่วงคตเสด็จนางก็ร้องไห้เสียใจเมื่อสอบถามทราบความนางก็เล่าวความทั้งหมดได้ทราบ ลูกชายของนางทหาว่านางยังอยู่ในราชสมบัติก็คงจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบต่อกับจากพระราชบิดาแต่มาอยู่ในป่านี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงท่านดาบตก็ถามว่าเธอต้องการราชสมบัติให้แก่ลูกชายเลยนางก็บอกก็ต้องการอันแล้วก็บะบาดดาบตก็เรียกเด็กมาให้เรียนพินที่ได้จากเทวดาเรียนพินจนราชกุมารสามารถขับช้าง บอกช้างให้หยุดแล้วก็สั่งช้างทำงานได้มาฝึกช้างได้ที่แล้วท่านก็เรียกช้างมาทั้งหมดเอาช้างแก่กับช้างอช้างพังให้ออกไปก็เอาช้างที่แข็งแรงช้างพลายแข็งแรงเป็นขบวนทับอนามกองทัพเข้าไปประกาศแก่ราษฎรบอกว่าท่านเป็นโอรสของพระเจ้าปรันตปะแห่งกรุงโกศมพีต้องการจะไปยุดครองราชสมบัติในกรุงโกศมพีซึ่งเป็นมรดก ข, ของท่าน ใครต้องการสนับสนุนก็ให้มาด้วยกับท่านก็มีคนติดตามมาเป็นนั้นมากเมื่อไปถึงเมืองท่านก็ออกไปบอกแสดงตัวแต่ทางในเมืองเขาไม่ทราบเขาไม่เชื่อก็บอกว่าพระเทวีของเขานั้นถูกนกหัสดีลิงเฉี่ยวไปไม่รู้เป็นตายได้ดียังไงมันก็จะไม่มอบทรบัพย์สมบัติให้ใครจนกว่าจะทราบข่าวของพระเทวีพระมายสีของเขา แต่ในสุดราชกุมารก็แสดงธรรมรงค์ธรรมรงค์ที่พระเจ้าปรันตปะสวมให้ก่อนที่จะถูกนกเชี่ยวกับผ้ากำพลแล้วพร้อมด้วยลายประหัสของพระมเหสีที่เขียนชื่อเสนาบดีปุโรหิตอะไรต่างๆออกมาในสุดท่านก็ได้ราชสมบัติในกรุงโกสัมพีนี้ก็เป็นประวัติของพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงโกสัมพีในยุค ข, ของพระพุทธเจ้า ต่อมาก็ไปขึ้นเรื่องอีกคนหนึ่งคือเรื่องของโคสกะเทพประบุตรของโคสกเศษฉีคือคนทั้งหมดนี้มันจะไปรวมกันในตอนสุดท้ายของเรื่องแล้วท่านก็เล่าขึ้นมาวางไว้ทีละคนทีละคนะในกรุงโกสัมพีก็มีในแคว้นอันลกปะนะฮะในแคว้นอันลกปะเนี่ยมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อโกตุฮันลิก เวลานั้นก็เกิดทุพภัยรุนแรงมากคือโรคระบาดไอไข้าหา ร, ระบาดคนล้มตายกันมากเหลือเกินสองสามีพันยาพร้อมด้วยลูกชายก็ตกลงใจว่าจะหนีเข้าไปอยู่ที่เมืองโกส์มีก็หนีกันมาสองสามีพันยาก็เปลี่ยนกันอุ้มลูกชายสเสบียงเดินทางครบหมดเรียแรงทั้งสองฝ่ายก็อ่อนเพลียแรงลง สามีก็อุ้มลูกส่งให้พัญญาพัญญาก็อุ้มส่งให้สามีแต่ต่างคนต่างเริ่มจะหมดแรงด้กันผู้ชายก็ชักจะ่ใจแข็งกว่าน่อยก็อบอกว่าเราทิ้งลูกเหรอเพราะยังไงเราจะไปทั้งลูกทั้งเราเคงจะไม่ได้หรอกแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็คงจะมีลูกต่อไปแต่ควายพัญญาไม่ยอมก็เลยก็อุ้มลูกเองแต่อุ้มไม่ได้พักเหนึ่มก็หมดแรงก็งต้องส่งให้สามี สามีก็เห็นเห็นว่าจะบอกกล่าวพันยาเขาคงไม่ยอมก็เลยปล่อยให้พันยาเดินไปข้างหน้าท่านได้โอกาสก็วางลูกไว้ที่โคลนกอไผ่แห่งหนึ่งแล้วก็เดินตามพันยาไปพันยาเห็นว่าสามีอุ้มลูกมานานก็หันมาจะรับลูกก็ไม่เห็นพอสอบถามาทิ้งไปแล้วก็ร้องหมร้องไห้ก็กลับไปเพื่อจะดูลูกแต่ลูกก็ตาย ในที่สุดสองสามีพัญญาด้วยความเหนื่อยด้วยความเศร้าโศกด้วยความหิวกระหายเสียแทงหลายอย่างก็มาถึงในบ้านของนายโคบาลแห่งหนึ่งก็ในบ้านของนายโคบาล น, นั้นก็มีพระปจเจกับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาเสเวยอาหารอยู่ประจำครับท่านก็ให้อาหารแก่แม่สุนัขตัวหนึ่งที่เหลือทุกวันทุกวัน น, นายโกตัวลิกาัญญาก็เข้ามาเพื่อจะขออาหารแต่นายครูบาลบอกว่ารอให้พระปฏิจเจ้าพุทธเจ้าสวยเสร็จก่อนอารามที่มันหิวแล้วก็อยากอยากแกรับประทานเนี่ยพอตอนหมารับประทานแกก็คิดว่าเออหมามันก็ดีกว่าแกยะแกอดข้าวไม่มีข้าวกินแต่หมาสามารถที่จะมีอาหารที่ครุกเคลือน้ํานมกินได้ทุกวันไอการเป็นหมามันก็ดีเหมือนกัน ในที่สุดนายกบาลก็แบ่งอาหารให้สองสามีพัน ญ, ญากินพัน ญ, ญานั้นโดยความห่วงใยสามีก็มอบอาหารส่วนของตนให้สามีกินบอกว่าเมื่อท่านยังอยู่ดิฉันก็เชื่อว่ายังอยู่ก็ขอให้กินให้อิ่มตามต้องการให้กันนายนี้ก็กินทั้งส่วนของตัวเองแล้วก็ส่วนของพันยาเนื่องจากหิวมาหลายวันอาหารก็ย่อยไม่ทันทาธาตุก็เกิดแปรปรวนขึ้น แล้วก็ตายไปพร้อมด้วยใจที่ผูกขันว่าเกลนหมานี่ก็ดีเหมือนกันอาใจอาศัยก็อาสันนกรรมคือการเม่จวนจะตายเนี่แกใจแกเกิดยินดีในในในความเป็นหมาก็เกิดในคันของหมาตัวเมียนั้นพอถึงกําหนดไอ้ควายพัญญาก็ร้องโผมร้องไห้เสียใจยนะฮะนายครบางก็สงสารเพราะสามีก็ตายแล้วก็เคยเลยให้อยู่ที่บ้านก็เป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านนั้น พร้อมในทำหน้าที่บํารุงพระปัจเจกพุทธเจ้าไปด้วยม้าตัวนั้นก็ถึงกําหนดก็คลอดลูกโถนออกมาตัวหนึ่งนายโคบาลก็เลี้ยงด้วยน้ํานมอย่างดีเพราะเป็นลูกม้าตัวเดียวและเบดาโตขึ้นเวดานายโคบาลไปรับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกวันแกก็ตามไปด้วยตามไปจนผูกความเคารพรักสนิทสนมคุ้นเคยกับพระปัจเจกพุทธเจ้ามาก จนวันไหนที่นายโคบาลไม่ว่างก็เรียนพระประเจรกระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าวันไหนผมไม่ว่างก็จะส่งลูกสุนัขตัวนี้ม า, าสุนัขแกก็ไปไปถึงก็เข่าไล่สัตว์ไล่ซะก่อนแล้วก็ไปเข่าที่ประตูพ ร, ระเจรกระพุทธเจ้าแล้วก็นอนเฝ้าเจนถึงเวลาพระประเจรกระพุทธเจ้าท่านก็ออกมาก็เข่านําตามมาข้างหน้าบางวันท่านต้องการทดสอบดูความฉลาดของมันท่านอ้อมไปทางองื่น หมาก็วิ่งไปไล่ค า, าบจีวรของท่านดึงกลับมาแสดงว่าคุ้นเคยกันมากแล้วหมา ก, ก็รักท่านมากจนวันหนึ่งท่านถึงคราวจะต้องไปทำจีวรที่ภูเขาขันธามาตามธรรมเนียมของพระปพเจกาพระเ จ, ะเจ้านายกบาลก็ถวายผ้าให้ท่านก็รับผ้าแล้วก็ไปเอ้ย ลูกหมาตัวนี้อาศัยที่ความผูกพันรักในพระเจกาพุทธเจ้าพอท่านไปพอรับตาแกก็หอนเห่าหอนส่งพอรับตาก็ตายอาศัยจิตที่ผูกพันในพระะเจกาพุทธเจ้าเป็นอาสนกรรมอีกแนหนึ่งคือใจมันผ่องใสมันผิดกันแนวตอนเป็นนายกลัวตัวลิกนั้นใจมันเศร้าหมอง เ้วก็ทำให้ท่านเกิดเป็นเทพประบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงชื่อว่าโคสกะเทพประบุตรดำรงชีวิตยอยู่ไม่นานเออก็บอกว่าที่ชื่อโคสกะโคสกะคือโคศกนั่นเองครโคศกที่เราพูดกันเนี่ยคือมีเสียงที่ก้องกังวานาเวลาพูดอะไรก็เสียงได้ยินไปไกลเสียงดังมากเรียกว่าโคศก แต่ว่าก็เป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากจากการแสดงความรักในพระปัิเจการะพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นอัศ น, นกรรมที่เพียงคือมีผลบุญเพียงเล็กน้อยเพราะงั้นท่านก็อยู่ไม่นานก็จุติเหตุที่ให้เทวดาจุติจากสวรานนั้นก็มีเหตุอยู่สี่ประการด้วยกันประการแรกก็คือสิ้นอายุห็นไความว่าอายุเป็นเทวดาเขาหมดต้องจุติ แต่การจุติพระสิ้นอายุนั้นไม่แน่ถ้าหากว่ามีบุญอยู่อาจจะเกิดในเทวโลกที่สูงขึ้นหรือเทวโลกชั้นนั้นหรืออาจจะเกิดในกำเนิดต่วอื่นถ้าถ้าบุญมันหมดด้วยประการต่อไปก็คือบุ ญ, ญยักษนะ์เยณะสิ้นบุญหรือบุญที่เป็นหล่อเลี้ยงเป็นเหตุให้บังเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทธิดานั้นหมดบ้านบุญของ โคสกะเทพบุตรนั้นท่านอุปมาเหมือนกับว่าเอาเข้าวเปลือกอถ้านานเดียวไปใส่ไว้ในช้างของช้างหลวงซึ่งเก็บข้าวไว้ไม่รู้สักกี่หมื่นเกวียนนั่นก็นิดเดียวนั่นเองท่านก็อยู่ในดาวดึงไม่ได้นานถ้าก็ต้องยุติรีประการหนึ่งก็คือเป็นคนที่เปิดเพลินนะฮะเพลิดเพลินในที่ประะสมบัติแล้วก็ไม่ได้ กินอาหารทิพต์คือเห็นคนอื่นก็เพลิดเพลินแล้วก็อยากจะเพลิดเพลินตามขาไปเรื่อยก็เพลิดเพลินไปหมดเนี่ยสิ้นอาหารการสิ้นอาหารนั้นคือใจแก่ไปเพลิดเพลินกับสมบัติโฉแล้วก็ไม่ใส่ใจที่จะรับประทานอาหารทิพต์ก็ทําให้ผิวพรรณเริ่มเศร้ามองร่างกายเริ่มอ่อนแอแล้วก็จุดจิได้อาการต่อไปก็คือโกเปนะคือเกิดโกรธเทวดาตามปกติต้องไม่ค่อยโกรธ ตาเทวดามักโกรธเทวดาก็ต้องตายเร็วก็จุติมันโคสกะดเทพบุตรจึงจุติเพราะบุญญคเยนะคือหมดบุญหมดบุญบุญมันเพียงเล็กน้อยไอบาปที่ทิ้งลูกมันก็ไล่หลัง น, นะเพราะงั้นท่านก็จุติจุติครั้งแรกก็มาเกิดในกำเนิดของหญิงนครโสเพณีหญิงนครนโสเพณีนั้นไม่ใช่โสเพณีในภาษาไทยนะครับก็โดยความหมายแล้ว ในที่บางแห่งคือเขาเรียกหลายอย่างหญิงแพทย์สยาหญิงคณิกาหญิงนครโสเพณีถ้านาครโสเพณีแล้วมันเป็นตําแหน่งราชการเป็นตําแหน่งราชการที่เขาเลือกเอาผู้หญิงที่งามที่สุดในเมืองนั้นแทนที่จะให้เป็นนางสาวไทยนางสาวจั ก, กรวาลอย่างที่ไทยเขาทากันเขาก็ให้เป็นนครโสเพณีคือเป็นหญิงทําคนครให้งามเป็นหญิงประดับเมือง ก็มีคนมาสนทนามาดูแกได่รามอะไรต่ออะไรได้แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกับที่ที่บ้านเราเขาว่าต่อมาแกก็กพอคลอดลูกเป็นเป็นผู้ชายนะแกถามผู้ชายหรือผู้หญิงก็บอกผู้ชายแกก็บอกให้ทิ้งแกให้ทิ้งไปทิ้งก็มีขวงกาสุนักอะไรต่ออะไรมาห้อมล้อมแต่ไม่มีใครทําอันตราย ความล้อมกันก็มีคนคนหนึ่งมาเห็นข้าวก็แวะเข้าไปดูพอเห็นเป็นเด็กก็ดีใจว่าเราได้ลูกชาก็นํากลับบ้านทีนี้พอดีเศรษฐีในเมืองโกสัมพีเนี่ยตอนนี้มาเกิดที่เมืองโกสัมพีเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์ช่วงโน้นช่วงเป็นโกตุฮลิกนั้นเป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธกาลนานเหตุการณ์ก่อนพุทธกาลนานมากแล้วก็ชาติที่เป็น สุนักก็ก่อนพุทธกาลเจ้าที่เป็นนี้แหละเป็นโคศกเนี่ยมาเข้าในเชื่อมกับพุทธกาลแต่กท็ที่จริงก่อนพระพุทธเจ้าจะรู้ปุโรหิตกเกษตรถีเดินสวนทางกันก็ไม่สวนทางล้วมาเจอกันเพลกเฝ้าพระราชาเนี่ยเศรษฐีก็ถามว่ามีเหตุการณ์อะไรพิเศษบ้างไหมปุโรหิตก็บอกว่าเด็กที่เกิดในคืนเนี่ย เด็กที่เกิดเมื่อคืนเนี่ยจะเป็นมหาเศรษฐีในนคร น, นี้คือจะเป็นเศรษฐีที่รวยมากที่สุดในนคร น, นี้พอดีท่านเศรษฐีพัญญามีคันแก่อยู่ก็นึกว่าลูกเราคงเป็นมหาเศรษฐีเ่ยก็ส่งคนให้ไปดูที่บ้านเอาพัญญาคลอดได้ยังปรากฏว่ายังไม่คลอดไม่คลอดเลยก็ส่งคนสืบเลย เมื่อมีเด็กที่ไหนบ้างที่เกิดในวันนี้ก็ไปพบเด็กนั้นข้าพอดีก็ขอซื้อมาพันกะหาพนะคราวแรกโดยความตั้งใจว่าถ้าหากว่าพัญญาของแกคลอดมาเป็นผู้หญิงเวลาเด็กทั้งสองคนโตขึ้นก็จะให้แต่งงานกันแต่ถ้าพัญญาคลอดเป็นผู้ชายเด็กนี้ต้องฆ่าใช่เพราะมีงานลูกแกจะต้องไม่ได้เป็นเศรษฐีก็วางแผนไว้ทั้งสองแผน แต่ไม่กี่วันพญาัางก็ครอดคอดเป็นเด็กผู้ชายก็เริ่มวางแผนฆ่าเลยทีนี้ครั้งต่อมานี่สองครั้งแล้วนะฮะโดนชิงสองครั้งแล้วก็ครั้งต่อมาก็ให้คนเอาไปไปชิงที่ที่ข้อโคนะฮะตั้งใจจะให้โคเหยียบให้ตายพอดีโคจากฝูงก็เรียกโคอุสภะ โคจากขุ่งแกออกมาก่อนแกมายืนคล่อมเด็กไว้โคตัวอื่นก็ออกไม่ได้แล้วก็ไม่มีโคไหนได้เหยียบพอดีนายโคบานมาเห็นเข้าวว่าเอ๊ะทาไมโคไม่ยอมออกจากข้อก็เห็นเด็กอยู่ใต้ท้องของโคก็อุ้มกลับบ้านดีใจมอบให้พัญญาได้ลูกชายนะไอคนที่นําเด็กไปวางไว้ก็ต้องตรวจสอบดูผลชื่อประการลีปร่กาศลีที่แปลว่าดํานะ <c oughs> ก็ใจดําด้วย น, นี่ดำไอ้ตัวคงจะดําแล้วก็ใจแก่ๆก็ดําด้วยอันในที่สุดไปมอบให้แล้วก็มาบอกเศรษฐีเศรษฐีก็ไปซื้อมาอีกเอาผ่านกาปะนะเอาไปทิงใหม่เอาไปทิ้งในที่ทางเกวียนโดยหวังว่าให้เกวียนทับไปลาใกล้รุ่งขบวนเกวียนมันผ่านปรากฏว่าโคที่ลากเกวียนเกวียนแรกเกิดไปคล่อมมาไดะอีกไม่ยอมเดิน สลัดแอกไม่ยอมลากเปวียนไปคล่อมเด็กเอาไาว้แล้ตลงเกวียนไม่ได้ทับอีกนายกองเกวียนสงสัยว่าโคทําไมสลัดแอกมาดูพอเห็นเด็กดีใจได้โรกเอาไปอีกนางกะลีไปแจ้งเศรษฐีเศรษฐีจ้างให้พันอีกไปซื้อมาอีก <c oughs> ซื้อมาอีต่อมาก็เอาไปทิ้งในป่าชา้าซึ่งเป็นที่เลี้ยงแพะก็คิดว่ามันตายไปอ่ะพอดีมีคนเลี้ยงแพะเขาต้อนแพะไปเลี้ยง ไอแม่แพ้ตัวหนึ่งไปเห็นเด็กข้าวก็นั่งยองๆข้าวให้เด็กดูดนมให้เด็กกินนมเวลาไ อ, อคนเลี้ยงแพ้เรียกยังไงแกก็เฉยแกแเด็กกินนมเฉยเยคนเลี้ยงแพ้ก็มาดูพอเห็นเด็กก็ดีใจได้ลูกชายกลับนำกลับบ้านนางกะรีมาแจ้งเศรษฐีเศรษฐีส่งคนไปซื้ออีกพันหนึง่งหมดเงินแยะตอนนี้ลงทุนกันแยะเลยแล้วทีนี้ ต่อมาก็เอาอยัางไงก็เอาไปทิ้งที่ในเหวเป็นที่ทิ้งโจร น, นางกาลีแกโยนยังไงมนุษยแทนที่จะลงไปบนปูเขาเกิดไปลงในพุ้มไม้พุ้มไม้ที่เป็นย่านเขาเรียกย่านกระพังโขงมันคลุมเพราะั้นเด็กหล่นลงไปก็เหมือนนอนเปลเลยนอนสบายอยู่ข้างบนนั่นแหละปอดีมีชาวพวกทําช่างจากสารไปหาหวายไปเจอข้าวเพราะได้เด็กแกก็ดีใจ นำกลับมาบ้านเองเศรษฐีรู้ข่าวไม่ตายก็ตรงไปซื้อมาอีกพันก็หาปหัญหาเอซื้อมาถึงทํอยังไงมันก็ค่าไปค่าม า, าคือไม่ใช่ค่าทุกวันนะครับก็ต้องวางแผนมีอะไรต่ อ, อะไรช่วงการก็เด็กมันก็โตขึ้นโตขึ้นก็เลยเลยให้ชื่อว่าโคศกหรือโคสกะสมาวันหนึ่งแกก็ไปติดต่อกันในช่างหม้อซึ่งมีเตาเผาหม้ออยู่นะ บอกแกมีลูกชายคือคื อ, อเด็กโสกเนี่ยเวลาเศรษฐีแกเห็นก็เหมือนหนามตาตาแกนมันเสียดแทงใจแกทุกแกนแกวางแผนจะฆ่าเลยมันฆ่าไม่ได้ทีเอาไปตกลงกับนายช่างหม้อว่าแกมีมีคนมีเด็กที่เลวมากคนหนะึ่งแกจะส่งมาพวกนี้ให้ส่งหนังสือมาแล้วพอมาถึงก็จับใส่เตาเลยนะฆ่าจับใส่เตาให้ตกลงจ้างกันเรียบร้อยก็เรียก เด็กโคลศกมาเนี่ยให้เอาหนังสือไปให้ในช่างหมอ้ออาศัยที่เศรษฐีแกค่าแล้วค่าอีกอยู่เนี่ยเด็กเลยไม่เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกก็แกเดินออกไปก็ไปสวนกับลูกเศรษฐีจริงๆกำลังเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นครุบก็โยนกันโยนกันเนี่ยปรากฏว่าแพ้มากแกก็ถามว่าพี่จะไปไหนน้องก็บอกพ่อพบอกให้เอาหนังสือไปส่ง บอก็แหมผมผมเล่นครุปเน่แพ้เพื่อนจังเลยพี่จะเล่นแทนหน่อยปะเดี๋ยวพ่อจะไปส่งสื่เองไอ้โคโศก็บอกไม่ได้ปเดี๋ยวพ่อจะดุไอ้ลุงชายเตถีก็บอกไม่เป็นไรพี่ไปเล่นชนะให้ผมมาก ม, ากมากแล้วผมมาแก้ตัวให้เองก็ตกลงกันอย่างนั้นไอ้โค้โศก็มอบหนังสือให้น้องชายไปตัวเองก็เล่นครุบแล้วก็ชนะได้ของมาแยะเลยไอ้ลุกชายเตธีไปถึงก็ช่างม้อจัดการให้เรียบร้อยสายเตาเรียบ ก็สุกคอยน้องชายจนค่ําไม่มาไม่จะทำยังไงเลยต้องข้าบ้านข้าวบ้านเศรษฐีก็ตกใจมันก็ผีหลอกบอกเอ๊ะทำไมแกมาได้ไงแล้วใครไปส่งหนังสือบอกน้องชายเขารับอ า, าสาไปส่งให้ให้ผมเล่นขรูปแทนนะแกเศรษฐีตกใจเป็นลมเลยวิ่งเลยไปเหยไ ป, ไปหาช่างหมอ้ออย่าไปทําให้ฉันจีบหายเลยอย่าไปฆ่าลูกฉันเลย พอไปเห็นทางม่บอกว่าเศรษทีจะเอ็ดไปเรียบร้อยเรียบร้อ ย, ย, อยงานที่สั่งเรียบร้อยหมดไม่มีปัญหาไดเนยเศรษีก็เสร็จแต่ทีนี้ป่วยหน่นะนี่ก็มาข้าวหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลผู้ประทุษรายต่อผู้ที่ไม่ประทุษรายย่อมเข้าถึงความทุกข์สิบประการได้กันเช็นว่าเกิดเวทนากรา เกิดความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเกิดโรคภัยไข้เจ็บปีดเบียนเกิดอุปสรรคจากภราชาแล้วก็เกิดความเสื่อมญาตเสื่อมโภคสมบัติถูกไฟไหม้บ้านถูกเพลิงเผาผลาญหลังจะตายไปแล้วจะเกิดในนรกยังได้อย่างหนึ่งนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ทุกอย่างคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำรุนแรงขนาดไหน แต่คนที่ไม่ประทุไปประทุสลายต่อคนที่ไม่ประทุสลายนั้นมันจะมีลักษณะเหมือนกับโถมน้ําลายรถฟ้าหรือว่าเปล่าฝุ่นทวนลมเปา่าฝุ่นทวนลมซึ่งก็หมายความว่าฝุ่นนั้นก็ต้องกลับเข้าหน้าเราเศรษฐีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต่อไปก็มาถึงยังไงมันหกครั้งแล้วมในเรื่องสักครั้งลูกชายตัวเองก็เกิดตายไปแผนเดียวลูกเป็นเศรษฐีก็หมดไป แต่ยังไงยังไงน้ำแกกไอความผิดทั้งหมดมันก็โยนแหมะลงมาที่โคศกทั้งหมดเลยก็ส่งไปที่บ้านสวยคือเศรษฐีเนี่ยเขามีผู้จัดการผลประโยชน์อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลออกไปก็คล้ายๆกับเศรษฐีในเมืองไทยเราเนี่ยก็เขียนหนังสือส่งถึงนายสมียนที่มีหน้าที่เก็บไอผลประโยชน์ของแกนะบอกว่าแกมีลูกชายจังไรอยู่คนนึงชื่อว่าโคศกจะส่งมาให้ แลยังไ ง, งไงก็ช่วยฆ่าหมุกป่าช้าได้ด้วยอะไรกันเนะี่ยคือต้องการจะปิดเรื่องราวตรงหนังสือไปเด็กโควโซก็เอาหนังสือผูกชายผ้าไปไม่รู้เรื่องก็เขียนว่าอย่าง ไ, ไงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ให้สเบียงเดินทางด้วยนะฮะสบียงเดินทางก็ไม่ให้บอกไม่เป็นไรพ่อมีเพื่อนอยู่ที่ใกล้ๆทางเดินผ่านเนะี่ยลูกไปแวะที่นั้นเองแล้วก็นอนพักที่นั้นกินอาหารที่นั้นแหละแล้วลูกในเช้าก็จะไปถึงบ้าน รุ่งเงินเช้าก็จะไปถึงบ้านของโคนเก็บสวยเองเด็กโคลศกก็ไปนะตอนนี้หนุ่มแล้วเป็นหนุ่มนะก็ไปก็ไปถึงก็แจ้งชื่อเสียงเดียงนามของตัวเองเศรษฐีในชนบทเขาก็รู้จักพักงจีดีรู้รู้ชื่อเสียงด้วยเลยก็บอกให้พักที่นี้ม่ทั้งแม่ทั้งพ่อคือคือทั้งผัวทั้ทงเมียก็ดีใจว่าลูกชายคนเดียวของเพื่อนมาพักที่บ้านเนี่ย พอดีไอ้หญิงรับใช้ของลูกษาเศรษฐีเนี่ยก็ลงมาเพื่อจะไปซื้อของให้ลูกษาเศรษฐีฝ่ายเมียเศรษฐีก็เรียกให้มาจัด ก, การเรื่องนี้ก่อนมาจัดปูที่หลับที่นอนเตรียมข้าวปลาอาหารให้แก่โคศคก่อนงานที่ลูกษานั้นให้ไปทำทีหลังตกลงไอ้คนช้าก็ทำงานช้าพอขึ้นพอกลับไปบอกลูกษาวเศรษฐีก็ดุเอาเพอแกบอกว่า ที่ต้องช้านั้นไม่ใช่ว่าไปเหลวไหลอะไรเนื่องจากต้องไปจัดการเตรียมต้อนรับโคศกลูกของท่านเศรษฐีในเมืองอ่ะลูกสาวเศษเรษฐีพอได้ยินว่าลูกเศรษฐีชื่อว่าโคศกเท่านั้นมันเกิดความรักตรึงตราที่เรียกว่าจดกระดูกเลยคือไม่เห็นหน้าเนี่ยมันซึ้งไม่จะเล่นนะเกิดรักจดกระดูกไปเลยอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวัดตจักคือลูกของเศรษฐี ลูกสาวเศรษฐีคนนี้ก็คือพัญญานายโกตุขริกนั่นเองที่หลังจากนั้นก็เริ่มทําบุญทํากุศลอุปถากบํารุงพระปเจกพรพุทธเจ้ามาเรื่อยพร้อมกับขนาดที่สามีเกิดเป็นสุนัขอยู่แกก็ทําบุญทํากุศลของแกไอวัตจักรมันก็หมุนข้ามมาตรงนี้ก็ตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าความรักจอมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการ คือปุเพสันิวาในการอยู่ร่วมกันมาในการก่อนประการหนึ่งและการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั้นประการหนึ่งเหมือนดอกบัวที่เจริญเติบโตขึ้นมาก็อสัยสิ่งสองประการคือโครนตรมภายในน้ำแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงนี่ก็เป็นหลักที่ออกจะตึงตรามากอะสมับเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีคดนี้เพราะแกยังไม่เห็นหน้าได้ยินในชื่อแต่นั่นเอง พอเวลาเศรษฐีบุตรนอนหลับแกก็แอ บ, บย่องเข้าไปในห้องคือมีคนใช้บอกว่ามันมีสะพายของอยู่ที่ข้างหลังแกก็แอ บ, บไปแก้ดูเห็นเครียดอ่านบกโอ้คนนี้มันโง่จังเลยเนี่ยเอานังสือค่าตัวเองไปให้คนอื่นเขาเลยแกก็แปลงสารเลยบอกบอกว่าเด็กคนนี้ชื่อโคศกเป็นบุตรชายที่รักของข้าพเจ้าขอให้ท่านเตรียม บรรณาการ500อย่างจากหมู่บ้านให้มาสู่ขอทิดาของเศรษฐีแล้วจัดการตกแต่งงานให้เรียบร้อยแล้วเมื่อจัดการเสร็จได้แจ้งข่าวไปให้เราทราบด้วยเสร็จแล้วก็ขอคืนเหมือนเดิมนี่ก็นําไปส่งให้หนายสมียนสมียนพออ่านก็ดีใจโอ้โหท่านเศรษฐีไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยส่งลูกชายมาให้เราจัดการแต่งงานให้ก็ประกาศเพราะพวกก็ชื่นชมกันใหญ่เพราได้เกียรติมาก เตรียมบนาการมาสู่ขอลูกสาวคองเษฐีก็ตกลงแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วก็คือคือในในหนังสือหนังเขียนบอกให้สร้างเรือนหอให้ด้วยนะแม้ควคมไม่จะเล่นนยาเนี่ยห้สร้างเรือนหอให้ด้วยโดยระหว่างหมู่บ้านคือระหว่างบ้านเศรษฐีกับบ้านที่จะต้องเก็บสวยเนี่ยมันอยู่ระหว่างบ้านเสร็จแล้ว แกก็คุมคนเองหมดเลยลกสาวเศรษฐีพอแต่งงานเสร็จนี่สั่งคนหมดเลยว่าใครก็ตามที่ส่งข่าวมาติดต่อมาจากโกสัมพีนี่ต้องบอกแกก่อนไม่ว่าหนังสือหนังหาอะไต้องผ่านแกเซ็นเซอร์หมดเลยทีนี้ไอ้ควายนายสมียนก็อยากได้หน้าเนาะก็แจ้งข่าวไปลูกชายท่านที่ส่งไปให้จัดการแต่งงานสู่ขอสร้างเรือนหออะไรอะไรเรียบร้อยหมดเรียบร้อยเศรษฐีพออ่านจดหมายเท่านั้นเองเลเสร็จเลย โลหิตมันเดือดพล่านขึ้นมาเป็นลมนอนนั่นทีน่นี้ตายป่วยป่วยเลยป่วยหนักป่วยหนักยังไงยังไงก็จะต้องเอาให้ได้เลยเด็กเนี่ยเอก็ส่งแจ้งข่าวไปแกโคศกะบอกกับพ่อป่วยหนักให้มาเยี่ยมพ่อหน่อยคือแกต้องการจะประกาศในสมาคมในที่ประชุมของญาติพี่น้องนะจะไม่มอบราชสมบัติให้ไม่จะไม่มอบสมบัติให้ ไอพัญญาของโกศลลูกสาวเศรษฐีชนบทนะ่ะหัวแหลมมากเลยคนเนี้ยแกก็รับจดหมายเซ็นเซอร์พอสอบถามข่าวเรื่อยถามข่าวเรื่อยรอจนว่าป่วยหนักป่วยหนักก็เรียกว่าคงไม่รอดแน่แล้วก็เลยก็บอกบอกสามีบอกพ่อคุณป่วยหนักขอให้ไปโกศลนี่ก็ละลางนะเพราะเด็กไม่เคยเรียนหนังสือทั้งหลาอะไรแล้วถามจะทําไงดีเนะมียก็ทําตัวเป็นเสวางแผนเสร็จเลย บอกให้เตรียมสั่งให้นายสเมียเนี่ยเตรียมบรรณาการขึ้นเกวียนบรรทุกไปเพื่อเยี่ยมเศรษฐีให้เป็นการใหญ่เลยมก็ชึกพอเตรียมมาแล้วแกก็บอกโอ๊ยไม่ได้เราพี่เอาเกวียนไปด้วยไม่ได้มันช้าเอาเกวียนเก็บไว้ที่บ้านเราทรัพย์สมบัติเนีเก็บไว้ที่บ้านเราหมดหเลยก็เอาบรรณาธิการซ้อนสองครั้งนะฮะแล้วแกก็ไปไปถึงแกก็ไปให้เศรษฐีคศกนี่นั่งปลายเท้าแกนั่งตรงกลางตัวนะนั่งตรงกลางตัว ก็เมื่อคนก็แจ้งว่าโคศกบุตรชายมาแล้วท่านจะว่าอะไรก็มาเศรษฐีก็มองไปทางปลายเท้าแล้วก็เห็นลูกชายก็เรียกประชุมญาติพี่น้องก็บอกบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่โคศกบุตรของข้าพเจ้าไอ้คำวาไม้นี่มันถูกเมียโคศกกดอกเอาไว้มันหายไปเลย มันหายไปเลยเพราะว่าแกจ้องมาแล้วเสร็จแล้วแกก็ร้องเลยร้องกริ้งเกลือก็ไม่ได้ยินกันเลยเสียงอะไรนี้พูดต่อไปไม่ได้จนตายเลยเรียบร้อยก็ตกลงว่าทุกคนที่อยู่ในสมาคมนี้ก็ได้ยินนะฮะว่าเศรษฐีมอบสมบัติทั้งหมดให้แกโคศกเศรษฐีโคศ ก, กซึ่งเป็นบุตรชายโคศกเมื่อได้สมบัติจากบิดาจากการชาปนกิจเสรแล้วไม่รู้เรื่องเลยทั้งหมดเนี่ยที่เขาทิ้งทิ้งเนี่ยแกไม่รู้เรื่องเลย แล้วแก่ก็เรียกอะไรสมโพสคือฉลองสมบัติฮตรวจสอบดูสมบัติรายตัวแรงต่างขึ้นเป็นขบวนชมสมบัติตังตัวเองด้วยความชื่นชมกลายปัญญาก็มองดูมองดูมดันคิดตั อ, อื่นเนี่ยจริงมันตายแล้วตายแล้วเราช่วยไว้มนในทรัพย์สมบัตินี้มันทําไมอาจใยร้องก็ไม่ได้แล้วแต่ แ, แกนึงนึกแกก็ขำอ่ะขำแน้กแก่ก็หัวเราะ เศรีก็ได้ยินว่วเลาก็ถามว่าวัวเราะเรื่องอะไรนางไม่ ย, ยอมบอกไม่ ย, ยอมบอกอันนี้จ ะ, จะขู่หรือจะฆ่าเลยไม่บอกก็จะตัดคอเลยตอนนี้ชักใหญ่แล้วมันรวยขึ้นมากำแพงขึ้นเยอะลเลยก็เลยนางก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดะบอกว่าเนี่ยที่ท่านได้เป็นอย่างนี้เพราะนไปแปลงตัว อ, อ, อักษรในทางนั้นเองไอ้โคศกก็ไม่เชื่อบอกถ้านทำไมเชื่อท่านถามแม่กาลีดูซึ่งเป็นแม่นมนะฮะกาลีนี่ เป็นแม่นมแต่ว่าถูกเขาใช้ให้ให้นําไปทิง้งแกก็ทิงท้งแกเรื่อยๆแกก็เล่าทั้งหมดเลยบอกว่าเนี่ยเพราะอาศัยพ่อคนเดียวเนี่ยเศรษฐีหมดเงินไปตั้งหลายพันมาเงินไปตั้งหลายพันแกอพันสุดท้ายคงไม่ได้จ่ายนะเอที่บ้านในเสมิ่นนอกนั้นก็จ่ายหมดอาทิตย์ละพันนิตย์ละพันโคศกเศรษฐีก็เกิดสลดใจมากเลยโอ้โหเราเนี่เกิดมาอย่างงี้โดนทิ้งได้ตั้งเจดครั้ง นี่แสดงว่าเราก็ทําบาปกรรมมาเยอะเพราะงั้นท่านก็เกิดสลดใหญ่สลดใจก็เอาทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนแจกทานแก่ราษฎรประชาชนยากไร้คนเดินทางไกลคนกําพร้าคนขัดสนก็แจกทานเปิดโรงทานขึ้นมาแจกแก่ประชาชนเยนี่เป็นตอนหนึ่งในยังไม่เข้าเรื่องใหญ่ะนะมีคือเรื่องมันยมันยาวแยะเลยกันนะครับ ทีนี้ก็เป็นอันว่าเราเอาเฉพาะช่วงสองช่วงนี้สก่อนเพราะในสองช่วงนี้มันมีลักษณะเป็นรีลาชีวิตนะคท่านทั้งหลายจะมองเห็นอะไรได้ไหลายแง่หลายมุมด้วยกันในช่วงแรกก็คือพระเจ้าอัลกะปะกับพระเจ้าเวตาจีปะกะก็แสดงว่าเป็นคนที่มองโลกเข้าถึงแก่นแท้พอสมควรจนถึงยอมทิ้งสมบัติเพื่อออกบวชเป็นดาบ แต่ว่าใจก็คือใจคือสาปใดที่เรายังอยู่ภายในอำนาจของใจภายใต้การควบคุมบงการของใจมันวางใจอะไรไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนกับเรากำลังว่ายน้ำอยู่นี่คคือถ้ายัางไม่มีขึ้นตะลิงเลยอย่าไปคิดว่าเราต้องไม่จมน้ำมันไม่แน่โอกาสใดโอกาสหนึ่งหมดแรงขึ้ น, น, นโดนกระแทกมาก็อาจจะจมน้ำตายได้ การปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจากสองคนสององนะฮะพระราชาสององที่มาเป็นประดาบทสององเราเห็นอะไรได้อย่างเด่นชัดมากเล ย, ยต่ทีประกาศดาบทท่านเดินก็ได้เต็มที่เลยสมับยุคสมัยนั้นก็ถือว่าถึงจุดสูงสุดแต่ท่านอันลลกบปบดาบทเอาก็จริงแม่แต่ขนาดเสียงช้างท่านก็ส ง, งบเสียงช้างไม่ได้ก็จะทำให้ทําสมาธิไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความกลัวก็ยังมีเยอะ ไอราคะก็ยังมีแยะเรแต่มันก็ถูกกดทับไว้ภายในใจก็ในที่สุดท่านเองยังไม่ได้รับอะไรในขณะที่เพื่อนเขาได้รับนี้ก็ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นการเห็นเป็นการแสดงเห็นถึงไ อ, ไอลักษณะของจิตซึ่งยังหวั่นไหวอยู่นี่มันวางใจอะไรไม่ได้ซึงเราลองสังเกตนะฮะว่า อางพวกนักฟังเทศฟังธรรมะของเราเนี่ยบางทีก็ฟังกันมาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวจนแกนะซึ่งมันน่าจะฟังจิตเจตสิล์รูปนิพานกันแล้วไปนั่งฟังเทศตลกกันคือมันลดเพดานบินลงมาแยะเลยจะชนภูเขาให้ได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าใจเรารันเรายังคุมมันไม่ได้มันยังถูกอารมณ์ภายนอกเข้ามาคุมอยู่ พระเจ้าอนลกปะหรืออันลกปะดาวบดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทีนี้ส่วนเรื่องพระเจ้าบรันตปะกับพระมเหสีนั้นไอ้นกหัสดีลิง์ตัวเป็นยังไงช่างมันมันตายแ ล, ยละะ้วป่านนี้มันนานแนละ้วสรุปว่าเราไปสะท้อนมุมชีวิตถึงคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะเือผู้หญิงในสมัยนั้นแต่ละคนแต่ละคนยกขึ้นมาไม่เบานะท่านจะเห็นว่าสามคนนี่ไม่เบาเลยสักคนนะองค์มเหสีนี่ก็ไม่เบาเลย ในภาวะวิกฤตท่านคุมอารมณ์ของท่านได้ซึ่งเป็นการพิสูจน์คนอย่างที่บาลีท่าใช้คำว่าอุกัติสู้ระเมชนติเนภาวะวิกฤตเนี่ยต้องการความกล้าความเข้มแข็งแอบเทวีในท่านคุมอารมณ์ของท่านได้ณทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในกรงเล็บของนกนี่แสดงถึงความมั่นคงในจิตใจความเฉียบแหลมและความทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลย อันประการต่อไปก็คือเรื่องของท่านอันละกะปะดาบทนะฮะในส่วนการคลอดในยามนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นธรรมดาหรืออาจจะพิเศษอะไรก็ตามและแต่เรามองถึงท่านอัญรักกะปะดาบดบันแสดงให้เห็นว่าไอ้ท่านอยู่ในที่นั้นเพื่อนก็หายไปอารมณ์มันก็ว้าเวเวเปลวแล้วก็ พอไปช่วยพระเทวีลงมาเมื่อก่อนมันก็จิตคิดอนุเคราะห์แต่พระเทวีท่านก็คิดของท่านอีกมุมหนึ่งอ่ะถ้าเกิดดาวบททิ้งท่านก็แย่เหมือนกันเวลานี้ก็ต้องพยายามหาที่เกาะซึ่งก็เป็นเรื่องการธรรมดาแต่ท่านดาวบทท่านก็ไม่มั่นคงพอ น, ะนั่นก็ไปนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าแม้แต่เราอยู่ น, น, นานๆเนี่ยไม่ไมไแน่ใจนิวางใจไปไม่ได้ ตราบใดที่เรียกว่ายังไม่ขึ้นฝั่งนะฮะยังยังยังถึงความปรองใจว่าเรียบร้อยแล้วดีแล้วไม่ได้ทีนี้การเข้าไปยือ้อแย่งเอาไปไปยึดครองราชสมบัติอะไรแต่ออไรเป็นต้นนั้นก็เป็นแบบฟอร์มซึ่งท่านจะเห็นว่ามันก็อยู่ในเหตุในผลที่ในสมัยนั้นเขาก็นิยมกำหนดกันทีนี้เรามามองดูถึงนายโกตุคัลิก ว่าที่จริงจิต ใ, ใจแกก็ไม่ถึงกับว่าโหดร้ายทารุณอะไรแต่ในด้านเหล่านี้เราจะพบถึงความจริงความจริงในโลกในชีวิตประการหนึ่งว่าต่ความผูกพันต่อลูกเนี่ยพ่อสู้แม่ไม่ได้เขาบอกว่าเออถ้าพ่อตายแม่ยังอยู่ก็ชื่อว่ามีทั้งพ่อทั้งแม่แต่ถ้าแม่ตายมันก็เหลือแต่พ่อ เพราะว่าแม่เป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่แต่พ่อนั้นเป็นแต่พ่อเฉยๆบางทีเป็นพ่อก็ยังไม่เอาไหนสิมันก็ยุ่งๆคนชายม่เชื่อมันก็ได้ที น, นี้ท่านนายโกตัวลิขพัญญานี่ตรงนี้มันก็มองอะไรได้จะเห็นว่าในภาวะที่ทั้งทั้งสองคนมันก็ไม่ไหวได้วยกันนี่ยพออดข้าวมาด้วยกันแล้วก็เดินทางกายมาด้วยกันแต่ความผูกพันเลือดใยระหว่างลูกกับแม่เนี่ยมันมากกว่า พ่อแม่ทั้งๆงที่ประคองตัวเองไม่ไหวแต่ยอมไม่ยอมทิ้งลกูกแต่นายโกตัวฮันริกนั้นก็นึกถึงตัวเองก่อนแต่ก็ทิ้งลูกไปก่อนไอเจตนาที่จริงมันไม่แรงนักไม่แรงนักคือท่านไม่ถึงกับเกลียดลูกอะไรแต่ก็ไม่ไหวเพราะงั้นกรรมมัก็สมควรแก่กรรมสมควรแก่กรรมอย่างที่ต่อมาท่านเกิดเป็นโคโศกเนี่ย ท่้นก็โดนทิ้งแต่ก็มันมีสิ่งคุ้มครองเพราะงั้นไอ้ช่วงตรงละ่ะช่วงทีหลังนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมีการต่อสู้กานระหวังบุญกับบาปบุญกับบาปเป็นกรรมที่ตามมาให้ผลทันกันแล้มาต่อสู้กันซึ่งบุญก็สัมดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่บาปก็สัมดงจงกเต็มที่เหมือนกันแต่พลังของบุญมันคุ้มครองได้มากกว่าอย่างการถูกทิ้งทั้งเจครั้งเนี่ย ท่านบอกว่าที่ถูกทิงก็เพราะว่าเคยชิ้งลูกแต่ไม่เคยเป็นอันตรายสักครั้งหนึ่งแล้วคนที่มาเห็นดีใจทุกคนนะเลยว่ได้ลูกแล้วก็นําไปเลี้ยงทุกคนเลยนี่เพราะอะไรเพราะอานิสงส์ที่มีความเยื่อใยความรักความเคารพในพระปัเจกาพระพุทธเจ้าจนตายไปด้วยจิตที่อะไรในพระปเจกาพระพุทธเจ้ามันก็คุ้มครองมันด้วยต่อสู้กันมาตลอดเจครั้งเจ็คราในที่สุดบุญชนะ เพราะอะไรเพราะไอตัวเจตนาบุญนั้นท่านจะเห็นว่ามันแรงมากเหมือนกันแรงจงกนก ร, ระเข่าขอนส่งพระปเจกาพระพุทธเจ้าจนดับจิตไปเลยแรงแต่เทียบกับบาปที่แกทิ้งลูกมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไรเพราะแกก็ไม่ไหวจริงๆทีนี้อีกช่วงหนึ่งก็เชยเห็นถึงอาสัญกรรมในเรื่องนี้ท่านจะพบว่ามันไปหนุนมหากรรมอีพังกสูตรที่เราเคยเรียนมาเคยพูดกันมา อาสันกรรมคือกรรมเมื่อจวนเจียนการให้ผลของกรรมนั้นบาลีท่านแสดงไว้สาสี่ช่วงนะฮะช่วงแรกก็คือคารุ ก, กรรมมีทั้งกุศลและอกุศลอกุศลก็คืออนันตริกรรมกุศลก็คือรูปประชานไปต้นไปถึงรูปประชานคือหมายความว่าเราจะทําความดีความชั่วอะไรไว้ก็ตามอย่างอื่นจะไม่มีโอกาสให้ผลก่อนพวกนี้จะให้ผลก่อนอนันตเรกกรรมจะให้ผลก่อนรูปประชานจะให้ผลก่อนได้อย่างอื่นเพ่อว่ากันทีหลัง ถ้าถ้ากรรมประเภทนั้นไม่มีก็มีพวกภาวะกรรมคือกรรมหนักกรรมที่หนักรองลงมานะจะให้ผลถ้าไม่มีกรรมนั้นก็จะมีกรรมประเภทที่เขาเรียกว่ากตตากรรมคือกรรมสักแต่ว่าทําหรือกตวาปณกรรมก็แล้วแต่จะเรียกคือสักแต่ว่าทําก็ทำไม่เรื่อยอะไรก็ไม่แรงเจตนาก็ไม่แรงความโกรธก็มไม่แรงโลกก็ไม่แรงหลงก็ไม่แรงสิ่งที่ทํ า, ทท า, าก็ไม่บาปกามอะไรไ ม, มากนัก เมื่อไม่มีกรรมอื่นให้ผลกรรมนี้ก็จะให้ผลแต่ว่านอกจากกรรมประเภทแรกนะฮะกรรมอีกสองประเภทนั้นมันจะมีตัวแปรอย่างหนึ่งคืออาสัยในกรรมก่อนที่จะดับจิตพวกนี้จะเข้ามาแทรกได้เพราะนายโกตัวเล็กนั้นแกคงจะทําความดีอะไรไม่แยกเหมือนกันแต่อาศัยที่ก่อนจะความชั่วแกก็ทํานะครับพอทิ้งโลกแต่ว่าก่อนที่จะตายนั้นไอ้ใจที่มันผูกพันเยื่อใยไหน ในสุนัขอะะเกือ ก, ก็ก็นึกถึงเรื่องกินนั้นเองนะแหะแกคงจะไม่ชอบเป็นสุนัขแหะแกเห็นมันกินนะั่นเนี่ยก็เลยกระทาให้เกิดในเพศของสุนัขนี้ก็เป็นการสดแสดงถึงอิทธิพลของอาสัญนกรรมกรรมเมื่อจุนจะตายที่ท่านอุปมาเมื่อโขขาก็เพลกอยู่ที่ประตูคลอ่ะเวลาก็เปิดประตูคลอกแกก็ออกได้ก่อนกรรมประเภทนี้จึงแสงกรรมอื่นได้แต่มันขึ้นอยู่ครับว่า ตีตัวข้ามาแสงมันแรงหรือไม่แรงฮะถ้าถ้าไม่แรงมันก็อยู่ไม่ได้นานแบบที่อุปมาตะกี้นี่ว่าเหมือนก็เอาเข้าวถังหนึ่งไปใส่ในยุ่งฉางของของหลวงนี่ก็ ก, ก็นิดเดียวเพราะงั้นอย่างพระนางมารีกาเทวีที่ท่านทําบุญทำกุศลไว้เยอะแล้วพอตายเนี่ยจิตมันเศร้าหมองวูบหนึ่งแล้วก็ตายไปเกิดในทุกติมันก็นิดเดียวไปเกิดในทุกติเจ็วันแ่นั้นเองกเจ็ดวันในทุกติมันก็นิดเดียว แล้ว ก, กลับไปอุบัติบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เพราะอะไรเพราะว่าจิตท่านเกิดเร้าหมองก่อนดับแต่ว่ากุศลกรรมนั้นแรงแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นรูปฌานดังนั้นอาสานกรรมจึงมีส่วนมาตัดได้แล้วมาแสงได้แต่ก็แสงได้นิดเดียวเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นความขุนใจนิดหน่อยแต่นั้นก่อนดับจิตจึงมีการพยายามกันมากอย่างโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพยายามในเรื่องนี้มา ก, ะกนะครับ มีสวดอิติปีโสอะไรตระไรบอกทางอารหังพุโทโธอะไรตนะวาดเรื่อยไปเพื่อให้ดึงจิตของคนช่างมันในเรื่องอืน่นให้ตัดไปก่อนให้คุมความคิดให้อยู่ที่ตัวกุศลเพื่อให้จิตมันผ่องแพร่ตามอายะของพุทธภาสิตนะฮะที่ว่าเมื่อจิตผ่องแพรวก็หวังได้ว่าเกิดในสุคติถ้าจิตไม่ผ่องแพรวคือทราหมองก็เกิดในทุคติเพราะอะไรเพราะตัวอาสัญนักการดังกล่าวทีนี้ประการต่อไปคือเราจะพบว่า ได้ความเชื่อในทางโหราศาสตร์สมัยนั้นไม่เบานะครับท่านลองสังเกตว่ามีการทำนายสองท่านคือปรันตาปะดาวบททำนายอันลกะปะดาวบททำนายพระเจ้าปรันตาปะว่าที่วงคตก็จริงแล้วท่านปุโรหิตทำนายว่าอเด็กที่เกิดเมื่อวันนี้มันคืนนียจะได้เป็นมหาเศรษฐีในกรุ่โกัมพีก็จริงอีกแล้วท่านโคศกนี้ฮะต่อมาที่สร้างโคิตารามท่านที่เคยไปโกัมพีก็คงจะ น, นึกออก สรงโคศีตารามที่เป็นอารามใหญ่โตมากแต่ท่านผู้นี้เองนี่ก็เป็นเด็กที่ถูกชิ้งมาแล้วเจ็ครั้งนะฮะทีนี้ประการต่อไปก็คือไอ้การประทุษรายต่อผู้ที่ไม่ประทุษรายผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมเข้าถึงฐานะสิบอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แน่นอนแต่ไม่ได้หมายความมาทุกอย่างฮนะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงแต่สรุปแล้วก็คือว่าหลังจากตายแล้วก็เกิดในทุกขจิคือตกนรกเลย พึ่งอยู่กับคุณก่อนท่านผู้นั้นว่าคุณก่อท่านผู้นั้นมากหรือน้อยอย่างโสกสกะไอเด็กโคสกนี้ที่จริงแกก็ไม่มีคุณมากแต่ว่าแกก็ไม่ประทุษร้ายอะไรและแกก็เป็นเด็กไร้เดียงสามไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยคิดประทุษร้ายตอบและยังเข้าใจว่าเศรษฐีนั้นเป็นพ่อเลยจำไปเพราะนั้นเศรษฐีจึงประสบความรุนแรงและความรุนแรงนั้นเราจะพบว่าอะไรความเสื่อมแห่งญาติสมอย่างนะเจ็ดเจ็ดทีได้ตอนตายก็ไม่ได้พูดไว้นะ เวดานังพระสังชาหนิงประสบทุกเวทนาอย่างรุนแรงเลยแล้วก็ความเสื่อมแห่งญาติลูกชายตายลูกชายลูกชายเสียแผนหมดเลยแล้วก็เสื่อมของทรัพย์มันก็ได้สามอย่างต่างอย่างที่ทรงแสดงไว้สิอย่างเจตีมันก็พบสามอย่างโดยพบในปัจจุบันนี้เองไม่ได้พบเมื่อไใ่ได้เสื่อมลูกชายก็เสื่อมตรงนั้นเสื่อมญาติก็เสื่อมในชาตินี้ประสบเวทนาอย่างแรงก็ตั้งแต่โนู้นนะฮะ เวทนาอย่างแรงในท่า น, ท, านท่านท่านประสบมาเองทีนี้ถ้าท่านมองว่าเศรษฐีนี่ที่จริงมันหาเรื่องนะเศรษฐีเป็นคนหาเรื่องหาเรื่องเพราะอะไรเพราะโลภะโลภะอยากให้ลูกของตัวเองเป็นเศรษฐีแล้วก็อิจฉาด้วยมันมีโลภะแต่มันมีอิจฉาอิจฉาโลภะสมาวัณฑุคือมันติดทีเดียวสองอย่างเลยตัวเองโลภะคืออยากให้คนของตัวเองนั้นเป็นเศรษฐียังไงก็ตามถ้าเป็นเศรษฐีต้องเป็นคนของฉนันก็แล้วกัน กอย่างพวกเจ้าพ่อทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยบางทีตัวเองไม่ได้เป็นก็ขอให้พวก้ันได้เป็นก็แล้กันนะคือว่ามันเกิดกโลภะไม่เป็นโลภะเปโลภะและในขณะเดียวกันเมื่อไอคนที่ตัวเองคิดว่าจะได้เป็นมันเกิดไม่ได้เป็นขึ้นมาตามคำํำนายแกก็เกิดไปริษยาเด็กค่ะริษยาเด็กซึ่งซึ่ ง, งตัวโลภะได้มาเพราะว่าในกิเลสมันก็แกว่งไปแกว่งมาจนในที่สุดก็มุ่งทำลาย ที่แกหาเรื่องฮะถ้าแกไม่มีโลภะแล้วแกไม่ไปเดียวถามซอกแซกกับปุโรหิตมันเรื่องมันไม่เกิดอะเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากโลภะของแกตัวเดียวแล้วก็ไปแส่เดี๋ยสอบถามเขาก็ถามข่าวเอกค้ากับคนถามเลขหวยเบอร์นะมันยุ่งยุ่งก็ถูกหลอกอยู่เรื่อยมันเลยเกิดโลภะเกิดจากโลภะมันก็สายไปด้วยทีทีก็เป็นแบบชีวิตอีกแบบหนึ่งทึ่เราจะพบว่าทั้งหมดนั้นทัาหาเรื่องเอาเองแล้วก็เมื่อมันโลภะมันอิจฉาแล้วก็ ท่านก็เชื่อในเรื่องโหราศาสตร์นี่มากนะคนบางคนเชื่อโหราศาสตร์นี่ก็บอกว่าจะตายต้องต้องทําตายต้องนอนในลงด้วยก่อนอาปลาบรรมูดเดี๋ยวก่อนมันดันไปนอนในลงได้โง่จังเลยที่อื่นนึงเยอะแยะไม่นอนมันดันไปนอนในลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไปปักใจมันเชื่อมากมันเป็นโลภะคืออยากจะมีชีวิตอยู่แล้วบันโมหะคือจากการมีชีวิตอยู่มันต้องแก้โดยการนอนในลงมันก็โลภะโทสะโมหะมันก็มุนมุนนี่ก็ได้ควบคุมให้ท่านกระทาไปอย่างนั้น ทีนี้เราจะมองดูจึงว่าผลบุญคุ้มครองต่างๆนี้ตลอดไปนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบุญนี้จะคุ้มครองรักษาคนผู้กระทําบุญนะเป็นที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเป็นที่พึ่งบุญญาณิประโล ก, กสมิงปฏิทาคนณจิป า, านีหนันบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้กระทำทำบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นนี้เราดูตัวอย่างโคศกได้เลยคุมือันตลอดเจครั้งเจคราว ทีนี้ในเรื่องของกุลธิดาคือเศรษฐลูกสาวของเศรษฐีนั้นคือเราจะมองไปในแง่อื่นนะฮะมองเองแง่เด็กนี้มันชักจะจุนจ้านมากก็เลยวางแผลหาผัวเองนะพ่อไม่มีสิทธิ์ท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือคือเราจะนึกว่าไปเป็นแรงของบุเพสันนิวาสเนี่ยเป็นแรงที่ที่ที่แปลกมากเลยฮะคือมันมันอะไรละ่ะฮะมันผลักดันชีวิตวิญญาณเข้าไปเลย เพราะงั้นไอการกระทํำก็ท่านครั้งแรกก็ท่านก็มีความรักเลยก็เมตตานะฮะต้องการปกป้องคนที่เรารักแล้วก็ท่านก็คุ้มครองปกป้องมาตลอดไอส่วนแผนไอคุบบรรณาการคราวแรกห้าร้อยคราที่สองห้าร้อยนั้นก็ถือว่าก็ฉลาดนะเขาก็เก่งคือหาทางที่จะเอาจากความไม่ฉลาดของคนอื่นแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าก็เป็นทรัพย์สมบัติของของพ่อสามีนะฮะ แต่ส่วนไอ้แผนที่หลังนั้นมันก็แน่นอนนะครมันก็พอสมแก่แผนนะฮะพอสมแก่แผนที่แกวางแผนคือคือแกรู้มาตลอดเป็นเด็กฉลาดมากนะคนเนี้ยเราจะพบว่าผู้หญิงสมัยก่อนสามคนนี้ไม่เบาเลยทั้งสาค น, นทั้งเมียนายโกตุฮัลลิกก็ดีทั้งพระเชวีเขาพระเจ้าปรันตปะก็ดีแล้วทั้งทิดาเศรษฐีคนนี้ไม่เบาเลยสักค น, น, นตอนนี้จะพูดถึงให้คะแนนแล้วผู้ชายชุดนี้แย่มากนะแพ้ก็หมดแพ้ก็หมด ชั้นเชิงอ่อนแต่ก็โง่ทึ่มโดยบางคนทึ่มๆ ท, ทีนี้ก็มาถึงเวลาท่านท่านแก้ทางต่างๆนั้นเราเจะพบว่ามันก็นิ่มนวลพอสมควรแล้วก็ไม่ยังไงมันก็โคโศกอย่างเหลืออยู่คนเดียวแล้วนะะแกจะไม่ให้สมบัติจะเอาไปไหนแล้วก็แก็ควรจะชดเชยักความทุกข์ทรมานต่างๆที่แกได้ทำไว้แกเด็กอันไอ้แผ่นนี้เลยก็จะหยดย้อยไปหน่อยแกก้องสะสะกดอยู่นะฮะ เอามือมามือวางไว้บนอกนะพอพ่อพูดว่าคำมาไหม้มันหายกลืนไปเลยะเลยเหลือแต่คํามาให้พอให้แล้วแกก็กริก่งคริ่งอันนี้เป็นแผนนิซึ่งมากและสนิทสนมกลมคืนก็ถือว่าเป็นความฉลาดจะมีแต่แกมโวงนิดๆก็ช่างมานะันแหละก็เหมาะสมแก่กรรมนี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เราจะเห็นว่าบางทีคนเราก็ พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันอย่างเนี้ยอย่างว่าโคศกนี่ถ้าหากว่ไม่ได้ที่ดาเศถียรคนนี้ช่วยมันก็ดับตรงนั้นเองต่อมาก็มีคนมาช่วยมันก็มีอุปธรรมคือบุญกุศลอุปธรรมุเพสศนิวาสอุปธร ร, ร, ร, รรมก็สนับสนุนกันโคศกก็เลยกลายเป็นคนประเภทที่อะไรนะครั้งแรกเป็เคราะรา้ายไข้รุมพอมาครั้งที่สองก็บุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หนก็รักมันเข้าสูตรเพราะ ต่างๆมในวัตจักข อ, ของของชีวิตมันเกิดหมุนเข้ามาหนุนกันคือฝ่ายพัญญาที่เคยอยู่ร่วมกันมาในชาติปังก่อนก็เกิดมาหนุนบุญกุศลต่างๆก็ข้ามาหนุนและการไม่โต้อตอบของแกเนี่ยคือการไม่สร้างเวรไม่สร้งภัยตอบทั้งๆที่เศรษฐีเบียดเบียนกันมาตั้ง7ครั้งเกคราก็หนุนและอาศัยหนุนอย่างนี้นะมันก็บุญอดีตก็สร้างสํานึกขึ้นมาใหม่ที่สลดใจในพฤติกรรมของตัวเองในเีลาชีวิตที่ผ่านมาของตัวเอง แทนที่ท่านจะไปแก้แค้นท่านจะไปชิงชังโลกอย่างปัญหาทางจิตวิทยาที่เขาว่ากันนี่แกก็กลับออกมาอีกแนวหนึ่งคือสร้างความดีเพื่อเสริมสร้างบุญกุศลในชีวิตของตนนี้ก็คืออาศัยอดีตกรรมอาศัยปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเข้าสนับสนุนก็เสริมแนวคิดของท่านให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควรในภาคหนึ่งก็จบทางภาคสองยังมีต่อก็จบสมาบันนี้ก็ข อ, อยุตติไว้ก่อน